ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่16โดยหลวงพ่อยินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9เมษายน2554มีชื่อเรื่องว่าลูกเขยผู้ใหญ่บ้านสมัยโบราณนะพอราชขาไปเลยเขาเรียกว่า อาจารย์แปลว่าเป็นผู้นำชุมชนได้บวชมานานเป็นผู้รู้จักเรื่องพระพุทธศาสนาพาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เป็นผู้นำสมัยก่อนมันมีผู้นำมันมีหลายหลายอย่างนะเครเขา้าอ่านหนังสือเขียนหนังสืออ่านหนังสือเป็นผู้แทนของหมู่บ้าน แล้วก็ดูเลือกงามยามดีวันไหนเป็นวันเลือกงามยามดีก็แปลว่าอาจารย์เนี่ยแปลว่ารอบรู้ทั้งหมดตรงนั้นแต่เกือบทั้งหมด น, นเพราะบวชเข้ามาหลายปีมาเรียนก่อนที่จะลาสิกขาออกไปนี่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องออกไปแล้วจะช่วยชุมชนสังคมอย่างไรออกไปก็เขาเรียกว่าตั้งวอาจารย์เป็นนักปราชญ์อาจารย์ กขาว่าทศฏิ่งนอบัณฑิตมันงั้นอ่ะแปลว่าบวชชั่วคราวาบวชสองสามสี่ห้าวันอพอพอได้สัมผัสพอเข้ามาบวชแล้วก็ยังไม่ถึงสามปีอย่างที่ว่านศึกออกไปเลยเขาเรียกว่าทิฏิทิฏินั่นทิฏิ่นี้เขาบอกบัณฑิตนักปราชญ์นักบัณฑิตนักปราชญ์คล้ายๆว่าได้สัมผัสห น, น่อยหนึ่ง กัเรียกว่าทิิแต่คนบวชยังไม่ไม่ครบพระเนี่ยเป็นเนนบวชเป็นยังไม่ครบพระลาสิกขาไปอันนี้เขาเรียกว่าเสียง เ, ออเสียงนั้นเสียงนี้ยวมือนกันแต่คว่าเสียงเนี่ยแปลว่าคนที่บวชยังไม่ไม่ถึงไม่ครบพระ เ, เคยบวชเคยผ่านการบวชมาแล้วอันนี้ว่าเสียง เสียงนั้นเสียงนี้ยังแบบเสียงแบบบเสียงเมียงลักษณะอย่างนั้นอางั้นออันนี้ก็คือคำใช้กันในใ น, ในภาคอีสานวะเทิบันดิตแต่ความรอบครอบจะต่างกันอย่างหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟัง น, นีิทานทิศกับจาน ทิดกับจานจานนคือบวชนานอย่างที่ว่าน่ะทิดหนึ่งคือบวชใหม่แต่นี้ในหมู่บ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกรรนันอำเภอสมัยก่อนผู้ใหญ่บ้านก็มีอิทธิพลในระดับหนึ่งนะเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคม ในหมู่บ้านเป็นที่ยอมรับวางั้นเลเลือกขึ้นมาฐานะก็ดีความรู้ก็ใช้ได้ปกป้องหมู่พวกเพื่อนได้ผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านเ น, น่เป็นผู้เสนอหน้าออกรับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้ส่วนกำนันน่มีอิทธิพลขึ้นมาควบคุมหลายหมู่บ้านเข้ามาเป็นกลุ่มอันเดียวกัน เป็นผู้ากำนันพูดเนะ่โอ้เหมือนกับ น, นายอำเภอพูดนะถ้ามีคดีความเกิดขึ้นเนะี่ยถ้าขึ้นศาลผู้ใหญ่บ้านพูดยังไม่ฟังไปถึงศาลกำนันโดยมากจะจบที่ศาลกำนันกำนันจะพูดแบบมีอำนาจาใช้ตัวบทกฎหมายพูดขึ้นมาชาวบ้านต้องยอมรับแบบนั้นกำนันถ้าไม่ถ้าไม่เหลือบา ก, กว่าแรงจริงๆจะไม่ถึงอำเภอ ถ้าถึงอำเภอไปว่าโอ้แปลว่าหัวหมออย่างเต็มที่แล้วงั้นแปลว่าสู้กันอย่างสุดๆใครไม่ยอมใคร่ะถ้าถึงอำเภออันนั้นแปลว่าคนโบราณเขาอยู่ด้วยกันแต่โดยมากถึงศาลผู้ใหญ่บ้านก็ปรับไหมใส่โทษซะทาทําไม่ถูกถ้าถึงศาลํานั่นก็หนักหน่อยเรื่องลือกันไปทั้งตําบลนะถ้าใครไปทึ่งขึ้นทึ่งศาลคำนันแต่นี้ก็ พญายาบ้านเนีครับเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านเนี่ยละพิาจารณ์นะครับคือโดยมากกระบวดอยู่ที่วัดใดวัดในหมู่บ้านถ้าบ้านใหญ่ก็เป็นวัดใหญ่มีศาลามีโบสถ์มีอะไรโดยมากก็อย่างว่าเหมือนกันพออยู่ในบ้านมันกับ้านกับวัดมันก็ติดกันโดยมากมันพออยู่อยู่อยู่ไป ได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงทุกวีทุกวันพระมันก็มาเดชภาวนาอย่างที่ว่านจิตใจมันก็ออกข้างนอกโผล่นชุดนั่นนหะสมพานก็ศึกมันกันนะทีนี้พอศึกเข้าไปก็เรียกว่าอาจารย์นักปราชญาอาจารย์ชุมชนเขาก็ยอมรับเพราะเป็นผู้สมัยเป็นสมพานก็นเป็นที่อพาชาวบ้านทำกิจการงานทำบุญทำทานบุญประจําปีบุญพ่อเวทบุญอะไร คือสมภารเป็นผู้พาธรรมเป็นผู้พาดําเนินในเมื่อสมภารสึกเราไปก่อลองสมภารก็ขึ้นมาเป็นสมภารต่ออีกอันนี้กนะ็คือการสืบทอดตั้งแต่โบ ร, โบราณแต่นี่มาพูดเกี่ยวกับความรู้ทิศกับจานท่นี่จานเนี่ยพอศึกออกมาแล้วก็ก็เป็นผู้นําชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้นําชุมชนของชาวบ้านนั้นผลที่สุด การเนี่ยก็ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแม่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีลูกสาวสองคนแต่ว่าเห็นจานมาเนี่ยเออเอาจานกับขอลูกสาวผู้ใหญ่บ้านแต่งงานผู้ใหญ่บ้านเออไม่ขัดข้องเพราะเห็นเป็นผู้นําชุมชนอยู่แล้วก็เลยแต่งงานอาพอแต่งงานใช่แล้วก็เอาต่อไม้อีกทิศ ต, ต่อไม้อีกทิศสิกอีกมา ไปแต่งงานกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอีพกพ่อใหญ่บ้านก็ได้เลยได้ลูกเขยทิดกับจานเหมือนกันแต่พอต่อมาทีนี้อยู่ในบ้านเดียวกันลูกเขยจานกับลูกลูกเขยทิดกับพ่อแม่พ่อแม่พ่อใหญ่บ้านกับแม่บ้านเออเราจะเอาลูกสาวของเราเนี่ยเราก็ดีทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าทิดกับจานเนี่ยเราจะเอาใครมาเลี้ยง เล่าวาเนี่ยคนมวรานเขาคิดนะถ้าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันครอบครัวสองครอบครัวจะอยู่ในที่เดียวได้ยังไงใหม่ใหม่มันก็ดีหรอกแต่พอมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาเดี๋ยวกว่าจะทะเลาะกันได้ไง่ายๆสองตายายก็นั่งคุนคิดกันเราจะเอาใครวามาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงเราในวาน่าจะเลือกครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะ ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปทดสอบทดลองดูไอ้ลูกไอ้ทิศลูกเขยทิศกับลูกเขยจานเนี่ยใครจะมีความรู้ความฉลาด iQ สูงกว่ากันแต่เขาจะสอบ iQ ได้สมัยโบราณสอบไอคิวสอบ EQ, สอ qmq รวมกันอะแต่เขาสอบยังไงฟังๆในที่ว่าผู้ใหญ่บ้านสอบ i อคลูกเขยทิศลูกเขยจานเขาจะสอบยังไง จากนั้นผู้ใหญ่บ้านกับแม่บ้านก็ตกลงกันเสร็จแล้วก็เอา้าวันหนึ่งวันดีคืนดีขึ้นมากับผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกเขยจานเนี่ยลูกเขยทิดเนี่ยลูกเขยทิดพานออกไปนอกบ้านก่อนพอไปแล้วไปเห็นห่านนะออะลูกเขยทิดเนี่ยตามปะพ่อจะพาไปธุระลูกเขยทิดก็ ตามหลังพ่อตาไปพอไปออกนอกบ้านตามปกติชนน้าบดเนี่ยบ้านนอกนะเขาจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงในชุมชนไม่ได้มันเหม็นเนี่ยเหม็นขี้หมูขี้ไก่เขาจะให้ออกไปเลี้ยงข้างนอกนอกบ้านตอนนี้เขากับใครอยากจะไปเลี้ยงเลี้ยงขอบหมู่บ้านนะมีแหล่งน้ำมีอะไรก็มีหมูมีไก่มีเป็ดมีห่านนี่ครบพวกวัวพวกควายวเขาก็เลี้ยง ทีนี้พ่อตาก็เลยเดินผ่านไปผ่านไปที่เขาเลี้ยงสัตว์ครอบครัวที่เขาเลี้ยงสัตว์นอกบ้านพอห่านมันเห็นคนมันก็ร้องใช่ไหมละ่ะมันทักทายมันเห็นคนแปลกหน้าไปมันก็ร้องอ๊อกอ๊อกตัวนั้นก็ร้องตัวนี้ก็ร้องพอ่พอตาพ่อตาผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามผูกเอยอาจารย์ทําไมห่านมึงจึงร้องเสียงดังทางไม่ใช่ถามทมิดไหมทิด ลูกเขยทิดตัวเป็นลูกเขยคนเลนะ็กเน่ะทิดทําไมหานจิงร้องเสียงดังทิดก็ตอบเลยว่าเพราะมันคอยาวพ่อมันคอยาวก็เลยร้องเสียงดังอือใช่หานมันต้องคอยาวร้องเสียงดังอือเข้าท่านมีความคิดดีเนะี่ยพอไปทดลองไอคิวเนี่ยใช่ไหมทดลองความรู้เนะี่ยก็เดินไปอีก พอไปเห็นหน่อไม้ที่มันผลขึ้นมาจากดินถามทิดทาไมหน่อไม้เนี่ยมันจึงผดขึ้นมาจากดินได้ทิดก็บอกว่าเพราะปลายมันแหลมพ่อมันเลยสีใสขึ้นมาจากดินได้เพราะปลายมันแหลมอืมใช่มีความคิดดีตอบตรงตรงประเด็นทีนี้นก็ไปอีกไปเห็น เป็ดมันว่ายน้ําอยู่หากินอยู่ในหนองน้ําอในคลองพอ่อตาก็ถามว่าเท็ดทาไมเป็ดมันยังว่ายน้ําได้วะเท็ดก็บอกว่าเพราะมันมีขนมันมีขนแล้วก็ขนของมันเป็นมันมันก็เลยเนะ่ยหากินได้หากินในน้ําได้มันไม่จมไม่จมน้ําเพราะว่ามันมีขนขนของมันทาง พ่อตาเนี่ย อ, อใช้ได้แต่นี่ก็เข้าไปอีกเนี่ยไปเห็นเขากำลังทำแปลงผักผักกาดผักนี่แหละกำลังทำแปลงพวกชาวบ้านเขากำลังทำปักปางแปลงก็ขึ้นเป็นต้นแล้วก็มีกำลังแตกก็มีกำลังเป็นใบก็มีเขาทำเป็นสินค้าเนี่ยก็าทำเป็นซ้อนๆกันพ่อตาเลยถามอะทิดทำไม ผักกาดมันยังผักน้ำทำไมมันยังเกิดขึ้นมาได้มันเกิดเพราะอะไรทางลูกเขยทิดก็บอกว่าเพราะมันมันเมล็ดพืชเนี่ยมันต้องอาศัยความชื้นลดน้ําทุกวี่ทุกวันพอมันชื้นแล้วก็แตกแตกหน่อแตกเป็นต้นเป็นลําขึ้นมาได้อย่างเป็นผักเนี่ยนะเขาอาศัยความชื้นเอาลงในดินแล้วเาก็ลดน้ํามันชื้นมันก็มันก็แตกใบขึ้นมา อตอบตรงประเด็นดีในใจนะเอาพากลับบ้านพ่อกลับมาอีกสองสามวันเดนนีอ่อาจารย์อาจารย์ป่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำธุระหน่อยเทนี้ก็ลูกเขยอาจารย์ก็เห็นพ่อตาเรียกก็ตามหลังไปอีกอีกวันสองสามวันต่อมาพอไปเห็นห่านมันร้องเดนไปเคอจะไปทดสอบหรือว่าแนวความคิด ทศกับจานเนี่ยมันมีความคิดอย่างไรในเมื่อไปเห็นสิ่งที่ที่เห็นเนี่ยถ้าไปเห็นอย่างอื่นไปถามอย่างอื่นมันอาจจะแปกแต ก, แ ก, แกต่างกันใช่ไหมอันนี้ไปเห็ น, นที่เก่านะ่ยถามแนวความคิดดูใครจะมีความคิดเหนือเหนือกว่าใครพอไปเห็นห่านมันก็ร้องอีกอย่างเกา่ามันทักทายวักวักอย่างเกา่าพอตาก็เลยถามมาจานทําไมร้องห่านจึงร้องเสียงดัง จานมาธรรมชาติจานบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติของห่านมันก็ร้องอย่างนี้แหละมันต้องร้องเสียงดังอย่างนี้แหละห่านทางพ่อตาก็บอกว่ามันจะเป็นธรรมชาติอะไรมันคอมันยาวไม่ใช่เหรอมันจะงร้องเสียงดังไม่เกี่ยวกันอไม่เกี่ยวกันยังไงมันคอยาวจัดเตื่นมันก็ยังไม่เห็นร้องเสียงดังพวกไก่พวกอะไรเนะี่ยทางจานบอกว่าพ่อได้สังเกตดุไหม พ่อตาได้สังเกตไหมอื่งอ่างนะ่ะมันคอมันสั้นๆทำมันมันร้องเสียงดังกว่าหา น, นี้อีกเออทางพ่อตาเออใช่วะเอื่องอ่างมันคอสั้นนิดเดียวแต่มันร้องเสียงดังกว่าหานอีกนะ เ, ออเวลาอื่นงอ่างมันร้องนะ่ะพ่อตาเออไอ้นี่ความคิดปแปลกๆป่ะพาไปอีกไปเห็นหน่อไม้อีกจานทำไมหน่อไม้มันยังขึ้นมาจากดินได้เพราะอะไร ทางจานบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องสีไซขึ้นมาได้ธรรมชาติอะไรไม่ใช่ปลายมันแหลมเหรอเห็นไม่ปลายมันแหลมมันยังสีไซขึ้นขึ้นมาได้ไม่เกี่ยวกันพ่อตาเคยเห็นไ้ยเห็ดกระด้างเนะ่ยเอขอนไม้มันแข็งยิ่งแข็งกว่าดินอีกทำไมเห็ดกระด้างมันจังออกได้มันยังผุดออกมาจากขอนเห็ดได้พ่อตาอือใช่เออ ธรรมชาติธรรมชาติของมันเหตุมันจังผุดออกจากขอรนไม้ได้มันยิ่งแข็งกว่าดินนี้อีกมันภาษาอะไรดินนต่อไปเอกพ่อตาก็ะพาไปอีกไปเห็นเป็ดมันว่ายน้ำพ่อตากระถามอีกอาจารย์ทำไมเป็ดยังว่ายน้ำได้อาจารย์หมวดธรรมชาติไปว่าอาจารย์ไปว่ า, รราพูดธรรมชาติทั้งนั้นว่าธรรมชาติมันพาเป็นไป ธรรมชาติถ้าอะรธรรมชาติอะไรมันมีขนอะ่ะถ้าไม่มีขนมันมันจะมันก็จะว่ายได้ล่ะไม่เกี่ยวกัน เ, เห็นไหมพ่อตาเห็นขอนไม้ไหมไม่เห็นมันมีขนเลยมันก็ยังลอยน้ำมันยังลอยน้ำได้ อ, อ, อันนี้ก็บลูพ่อตาเออใช่ไม่เทียงแต่ลูกเขยจานเนี่ยมันคนมีปัญญาเนี่ย มันมีความโมโหอยู่ในใจอยู่ใน ใ, นใจอ่ที่พ่อทามที่พ่อตาเนี่ยถามจุกๆจิกจินั่นไม่น่าถามถามทาไมนาถามถา ม, มันเด็กในใจนะอาจารย์เนี่ยคล้ายๆบอ า, ค, าคิดอยู่ในใจอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็ไปเห็นพาไปถูกแปลงผักพี่แปลงแปลงผักที่เขาปลูกผักกาดก็ลเลยถามอาจารย์ทำไมผักกาดมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมมันยังเกิดขึ้นมาอาจารย์บอกว่าธรรมชาต ธรรมชาติอะไรมันเม็ดผักเม็ดพันธุ์พืชมันก็ต้องลงในดินแล้วก็ลดน้ำทุกวี่ทุกวันทุกวี่ ท, ว, ทวันความชื้นขึ้นมามันจึงเกิดเป็นผักขึ้นมาได้ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่ลดน้าก็ต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าลดน้ำจะเกิดขึ้นทุกอย่างไม่ใช่นะบางสีบางอย่างถึงจะลดน้าก็ไม่เกิดก็มี เ, เห็นไหมหัวล้านพ่อตาเนี่ย อาบน้ําอยู่ทุกวันรดน้ําทุกวันไม่เห็นมันเกิดผมมออลูกเขยจานมาเอาหัวพ่อตาลงไปเล่นเลยว่ะพ่อตาอาบน้ําทุกวันอรดน้ําทุกวันไม่เห็นมันเกิดผมเหมือนโอ้พ่อตาถูกมัดนี้เข้ามาพ่อตาก็โมโหกันว่าหาว่าลูกเขยเอาหัวล้านมาเล่นเหมืนอนนั้นแอ้ก็เลยหยุดพูดกันเออกลับมาบ้าน พ อ, อกลับมาเออมาพูดกับสองตายายนี่ยพูดกับแม่แม่บ้านเออลูกเขยทิศกับลูกเขยจานพาพาไปฟังไปแล้วความคิดของเขาเนี่ยแต่ชั้นเชิงเนี่ยสู้จานไปได้จาน ร, รู้สึกว่าซิกแซกดีกว่าแล้วรอบครอบดีกว่าเอาตอนนี้ไปเราควรจะให้จานเนี่ยให้อาจารย์เนี่ยลูกเขยคนโตเนี่ยมาเลี้ยงพวกเรา ต่อไปภายภาคหน้าลูกเขยทิดก็ดีหรอกแต่มันก็ซื่อๆนะเอาให้ออกไปสร้างบ้านอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละเอาลูกเขยจานเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่แหละคนโบราณเนี่ยคนโบราณก่อนที่เขาจะเลือกใครมาอยู่ใกล้เนี่ยเขาก็ต้องตรวจดูมันกันนะตรวจดูความรอบครอบจะพึ่งพาอาศัยได้ไหมต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหม ความรู้ความฉลาดของเขานะเป็นอย่างไรนี่แหละคนโบราณเขาคิดขนาดนะั้นก่อนที่เขาจะเอาลูกเขยลูกจะไพรมาอยู่ด้วยนี่แหละคนโบราณเขาเขาทําอย่างนั้นเวลาเขาเลือกลูกไเลือกเลือกไัยเลือกเขยมาอยู่ด้วยนี่แหละสรุปแล้ว ก, ก็คือไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้เขาต้องการคนดีผู้ที่จะมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เลือกเป็นคนดี ก็เลือกคนดีมันเลือกอยากเหลือเกินแหมโดยมากมันมีแต่เอาเรื่องเ อ, อมาปิดมาปิดมาปิดบังเอาไว้แต่ความชั่วช้าเสียหายเนะี่ยเขาไม่ให้เห็นเยเขาให้เห็นแต่สิ่งที่มันดีเหลี่ยมที่มันดีพวกเราก็เห็นแต่ว่าเหลี่ยมที่มันดีอ้าวเลือกคนนี้เข้าไปเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเ อ, อเป็นผู้แทนรัฐดรเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแต่ที่แท้ มันซ่อนเล็บมันไว้อยู่พอเข้าไปเท่านั้นแหละพอเข้าไปมีอํานาจวาสนาขึ้นมากางเล็บออกมากางเขี้ยวออกมาเทนี่เราจึงรู้จากโอ้โหกําพืชมันไม่ใช่อยู่เพียงแค่นี่มมันไม่ใช่ดีจริงมันดีหลอกเฉยเฉยเพราะว่าพอบริหารบ้านเมืองจริงๆเข้าไปแล้วี่มีแต่เล็บมีแต่เขี้ยวแต่ที่ไหนได้ มันทั้งยังไม่ถึงครบยกมันเราก็ต้องอรอคอยฮนี่แหละอันนี้ก็คือใครๆต้องการคนดีทั้งนั้นไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองในชุมชนในกลุ่มของพวกเราถ้าเราอยากจะได้ครูบาอาจารย์ก็อยากได้ครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าจะได้ลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ที่ดีพ่อแม่ที่ดีวงศาคณาญาติที่ดี มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าว่าได้คนไม่ดีมาอยู่ใกล้แล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาใส่พวกเรามีแต่ความเดือดร้อนเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าความไม่ดีความชั่วเสียหายนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรคิดไม่ควรทำและไม่ควรพูดในจุดนั้นๆพราะพูดคิดไปแล้วทำไปแล้วพูดไปแล้ว มีแต่ความไม่ดีตามมาเพราะนั้นทุกยุคทุกสมัยเขาต้องการคนดีเราก็ต้องการคนดีไม่ใช่เหรอสิ่งที่มันไม่ดีเราไม่ต้องการไม่ใช่เหรอเพราะนั้นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเราเลือกไม่ได้เหร อ, เ, อเรากดได้กันกรองดูแล้วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างของอยู่ในตะ ก, กรา้าเม็ดมะม่วงอยู่ในตะ ก, กรา้าเราก็ยังเลือก ลูกไหนดีลูกไหนไม่ดี น, นี่ก็เหมือนกันในใจของเราก็น่าจะดูเหมือนเหมือนกันใจไหนที่มันคิดดีใจไหนที่มันคิดไม่ดีถ้าคิดไหนก็ตามที่ไม่ดีนั้นคือกิเลสทรรนวานะ่ะอ่ในหลักของพุทธศาสนากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรดหลงถ้ากิเลสอยู่ในจิตในใจแล้วมีแต่ความไม่ดีมันจะแสดงผลออกมาในทางไม่ดีท่านมีธรรมอยู่ในใจ ศินธรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตในใจพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกไปอยู่นสถานที่ใดใกล้ใค ร, ใครผู้มีศีลมีธรรมมีแต่ความผาสุกในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้พระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมแสดงว่า ในยุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกยุคนั้นสมัยนั้นก็รื่นรมพอมัยังมีผู้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนศีลธรรมถ้าพระรหันต์อยู่ในชุมชนใดกลุ่มใดท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนไปในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นชนในกลุ่มนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้เบียดเบียนจึ่งกันและกันท่านครดขาว่าท่านเป็น กระจกเงาให้แก่ชุมชนและสังคมอยู่ น, ะนี่แหละพระพุทธเจา้าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้หลวงพ่อนำมาคิดนำมาพิจารณาดูมันถูกใครเขาว่าคนดีเกิดอยู่ในชุมชนใดชุมชนนั่นแลร่มเย็นเป็นสุขถ้าพาละชนเกิดในชุมชนใดชุมชนนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนี่<ม>แหละเราจะเปรียบเทียบอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดนะ ตอนนี้ไปคณะสงฆ์จอนุโมทนาให้พล